เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ฝ่ายทรงทุกทุท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่23กันยายนพุทธศักราช5 5 7เป็นวันพระวันธรรมัสวรรค วันฝังธรรมวันที่พวกเราจะมากําจัดความลังเลสงสัยมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเช่นบางท่านอาจจะสงสัยว่ากินเจแล้วได้บุญหรือเปล่าไม่กินเจจะบากหรือเปล่า กินเจนี้ไม่ได้บุญเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบุญสิประการที่พุทธเจ้าสอนนี้ไม่มีการกินเจอยู่ในนั้นถ้ากินเจได้บุญพวกวัวควายมันก็ได้บุญเพราะว่ามันก็กินแต่ผักกินแต่หญ้าดังนั้นการกินเจจึงไม่ได้เป็นบุญการกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้เป็นบาป บุญหรือบาปอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ค่าถ้าเราฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วมาทํากับข้าวกินอย่างนี้บาปแต่ถ้าเราไปซื้อกับข้าวที่เขาขายอยู่ในท้องตลาดมีเนื้อเป็ดมีเนื้อไก่มีเนื้อวัวเนื้อหมูอยู่ในกับข้าวซื้อมากินอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัว อย่างนี้บาปทาเองก็ดีสั่งให้ผู้อื่นทให้ก็ดีเรียกว่าบาปแต่การกินของที่ตายไปแล้วโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่มีส่วนรับรู้ด้วยอย่างนี้ไม่ถือว่าบาปเพราะเป็นของตายแล้วของตายแล้วจะกินไม่กินมันก็ไม่บาปไม่กินก็บะไม่บาป กินก็ไม่บาปดังนั้นขอให้เราจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องจะได้ไม่หลงไปเสียเวลากับการกินผักกินหญ้าแล้วคิดว่าจะได้บุญไม่ได้บุญไม่ได้อยากจะได้บุญนอกจากตามตาที่พระเจ้าสอนบุญสิบประการบุญข้อที่หนึ่งก็คือทำทานอย่างอนุญาตโยมเอาข้าวของกับข้าวกับปาอาหาร ของขาวของหวานนี่มาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าได้บุญเป็นการให้เป็นการแบ่งปันเป็นการเสียสละ<อ>เป็นการเอาชนะความตนำดีความโลภความโงความเห็นแก่ตัว<อ>นี่คือบุญข้อที่หนึ่งบุญข้อที่สองก็คือศีลถ้าอยากจะมีบุญรักษาศีลห้าไว้ อย่าฆ่าอย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าเสพสรายาเมากินเจแล้วไปตกยุงนี่ก็บากแล้วดังนั้นถ้าอยากจะได้บุญไม่อยากได้บาปต้องรักษาศีลห้าให้ได้บุญข้อที่สามก็คือภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นให้สะอาดขึ้นจิตใจของเราต่ำเพราะอะไรต่ำเพราะความโลภความโกรธความหลงต่ำเพราะความอยากเพราะเวลามีความโลภมีความอยากมีความหลงก็มักจะไปทำบามักจะไปฆ่าไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปเสพสารยามันถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยาก ก็จะไม่มีวันที่จะทําบาปได้พระอริยะเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่พระโสดาลันขึ้นไปแล้วนี้ท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากที่จะไปทบาบาปถึงแม้ว่าจะมีความโลภความอยากอ ย, กอยู่ท่านก็จะทาโดยวิธีไม่ต้องทําบาปเช่นอยากจะมีแฟนก็ไม่ไปยุ่งสามีภรรยาของผู้อื่น ไปสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีไปขอพ่อขอแม่หรือขอภรรยาขอสามีเขาก่อนถ้าอยากจะได้ภรรยาของผู้อื่นก็ไปขออนุญาตสามีเขาก่อนถ้าอยากจะได้สามีของผู้อื่นก็ไปขออนุญาตภรรยาเขาก่อนถ้าเขาอนุญาตก็ไม่บาปถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วทําไปก็บาปเพราะประพฤติผิดโต่อเณี ผิดประเพณีตอนนี้ประเพณีของชาวพุทธเราก็คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมบัติของผู้อื่นสามีของผู้อื่นภรรยาของผู้อื่นบุตรธีดาของผู้อื่นก่อนที่เราจะเอาเขามาเป็นสมบัติของเราเราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิมก่อนเช่นได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่ก่อน ได้ลับอนุญาตจากสามีจากภรรยาก่อนดังนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญมากๆเราต้องภาวนาเพราะเวลาเราภาวนาใจของเราจะสงบจะนิ่งจะอิ่มจะมีความพอเมื่ออิ่มแล้วมันก็ไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีความโกรธ ความโกรธของพวกเราเกิดจากอะไรเกิดจากเวลาที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดำใจอยากเวลาขอสามีให้ซื้อแหวนให้วงหนึ่งสามีไม่ซื้อให้ก็โกรธเพราะความโลภอยากได้แหวนอยากจะให้สามีพาไปเที่ยวสามีไม่ว่างต้องทำงานพาไปไม่ได้ก็โกรธนี่คือความโกรธความโกรธมาจากความอยาก ความโลภความโลภ ก, ก็มาจากความหลงไม่มีเหตุไม่มีผลพออยากจะได้อะไรก็ขอเลย อ, อยากได้เลยทั้งทั้งที่ไม่สามารถจะเอามาได้ก็อยากได้พออยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธดังั้นเวลาเราอยากได้เ ร, เราต้องดูก่อนว่าเรามีปัญญาหามาได้หรือเปล่า ถ้าเรามีปัญญาหามาได้ก็หามาอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่โกรธถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ระ ง, งับความอยากความโลภไว้ก่อนเอาไว้รอให้เรามีปัญญาก่อนแล้วเรอค่อยอยากแล้วรอค่อยโลภแต่ถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบได้เราจะไม่โลภไม่อยากเราก็จะไม่โกรธ แต่แ ถ, ถ้าเรามีปัญญาสอนใจให้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นเหมือนยาพิษได้มาแล้วมันจะทำลายจิตใจของเรามันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเช่นได้แฟนมาก็จะต้องทุกข์กับแฟนได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูกได้สมบัติมาก็ต้องทุกข์กับสมบัติ พระพุทธเจ้าท่านเคยมีมาแล้วแฟนก็มีแล้วลูกก็มีแล้วสมบัติก็มีแล้วแต่ท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าของพวกนี้เป็นความทุกข์ท่านถึงสละไปออกไปอยู่ในป่าดีกว่าอยู่คนเดียวสบายใจไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนไม่ต้องมาทุกข์กับลูกไม่ต้องมาทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองนี่แหละปัญญา ขอให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้ของดีก็เปลี่ยนเป็นของเสียได้คนดีก็เปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้เวลาของไม่ดีเราก็ทุกข์ดังนั้นเราต้องจดจำเอาไว้ว่าของในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะไม่เที่ยง ทุกว่าเพราะไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันไปเวลาจากกันก็จะทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปหลงไปคิดว่าเป็นของเรานี่คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี่มีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถภ า, ภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้นิ่ง ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาด <Yeah. S 1> หลังจากใจสงบแล้วพอออกจากความสงบมา <Yeah. S 1> ก็สอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรต่างๆเป็นทุกข์ทันั้นเพราะเขาไม่เที่ยง เขามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อนมะเดี๋ยวเขาก็จากเราไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปนะนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยเตือนใจสอนใจแล้วเราจะได้ไม่หลงพอไม่หลงก็ไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความโกรธไม่มีความเสียใจเพราะเราจะไม่ผิดหวังนะคนที่ผิดหวังก็เพราะอยากมีความอยาก พอไม่ได้ดังใจอยากก็ผิดหวงังทุกข์ใจทรมานใจขึ้นมานี่คือบุญที่ได้จากการภาวนาเป็นบุญข้อที่สาบุญข้อที่สี่ก็คืออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญก็คือการร่วมบุญกับผู้อื่นเช่นปีนี้ทอดกรถินมีญาติพี่น้องเป็นเช่าภาพเราก็ไปร่วมทอดกรถินกับเขา เราไม่สามารถเป็นเจ้าภาพได้เองเพราะเราไม่มีกำลังแต่ผู้อื่นเขาเป็นเจ้าภาพเราก็ได้ร่วมบุญได้ทอดกะถินด้วยได้บุญจากการทอดกะถินด้วยนี่เรียกว่าอนุโมทนาบุญแล้วข้อที่หก็คืออุทิศบุญเวลาเราทำบุญอย่างวันนี้เสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญ การอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำกรวดก็ได้เพราะน้ำไม่ใช่บุญบุญคือน้ำใจบุญคือความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญในวันนี้เวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะอิ่มเออมีความสุขมีความสบายนี่แหละคือสิ่งที่เราจะแบ่งปันให้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้ผู้ที่ร่วงรับนี้ บางทีเขาไม่ได้ทำบุญหรือบุญเขาหมดเขาก็หิวเหมือนคนที่ไม่มีข้าวกินพอเราแบ่งบุญคือความอิ่มเอิบใจสุขใจไปให้เขาเขาก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาอย่างวันนี้เรามีประเพณีศาสตร์ไทยเราทำบุญอุทิศบุญให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติสนิทมิตสหายผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เผื่อว่าเขาต้องการบุญนะคนที่ตายไปนี้ไม่ในหมายความว่าทุกคนจะมารอรับส่วนบุญนะคนบางคนขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำบุญไว้มากตายไปเขาก็มีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญนะพวกที่มารอรับส่วนบุญก็คือพวกที่ไม่ค่อยทำบุญกัน ปีหนึ่งทำกันทักสองสามครั้งอย่างนี้ทำวันปีใหม่ทำวันเกิดทำวันเทศกาลถ้าทำแค่นี้น่าเป็นห่วงเหมือนกับกินข้าวปีละห้าหกวันจะรู้สึกอย่างไรร่างกายมันจะอยู่ได้หรือเปล่าห้าหกวันกินปีหนึ่งกินแค่ห้าหกวันชั้นใดใจของเราก็อย่างนั้นใจของเราปีหนึ่งทาบุญแค่ห้าหกครั้งมันจะอิ่มได้อย่างไร มันต้องทำทุกวันอย่างเรามีธรรมเนียมปฏิเนีย่ย ท, ทำบุญใส่บากมีพระเดินผ่านหน้าบ้านเราเราก็ใส่บากเราทำทุกวันเมื่อก็เหมือนกับเรากินข้าวทุกวันใจของเรากินบุญมไม่ได้กินข้าวใจต้องกินบุญแล้วพอใจมีบุญดล่อ เ, เลี้ยงจิตใจเวลาตายไปก็ไม่หิวโหวยไม่ต้องเป็นเปลืก แต่ถ้าไม่ทำบุญเวลาตายไปนี้หิวโหยเป็นเปรตก็ต้องมาขอส่วนบุญจากผู้ที่ทำบุญอย่างพวกเราทำกันอยู่ในวันนี้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตไปขอบุญของผู้อื่นขอให้พวกเราพยายามทำบุญทุกวันวิธีทำบุญทุกวันสมัยนี้ก็คือถ้าไม่มีพระผ่านมาที่หน้าบ้านเรา รเราไม่สามารถไปใส่บาตรที่ตรงไหนได้เราก็เอาเงินที่เราจะซื้อของใส่บาตรใส่ไว้ในกระปุกก่อนใส่ไว้ทุกวันทำให้เมนิติดเป็นนิสัยแล้วเวลาเรามาวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปซื้อของมาทาบุญได้หรือมีญาติสนิทมิสหายชวนเราไปทอดกระถินไปทอดผ้าปา่าไปทําบุญ เราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปทำไน้ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีเงินเก็บไว้พอเวลาเขามาชวนเราไปทอดผ้าป่าไปทอดกระถินเราก็จะไม่มีเงินไปทำบุญดังนั้นถ้าเราอยากจะไปอย่างสบายไปแล้วเป็นเศษฐีบุญไม่เป็นขอทานบุญขอให้เราพยายามทำบุญกันทุกวัน ทำมากทำน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราทำมากก็ได้บุญมากทำน้อยก็ได้บุญน้อยแต่ดีกว่าไม่ทำเลยทำทุกวันอย่างน้อยเราก็จะไม่อดอยากขาดแคลนเราก็จะไม่ต้องไปเป็นเปรนี่คือบุญอุทิศสำหรับผู้ที่เขาตายไปแล้วถ้าเราเป็นห่วงเขาพวกเขาจะอดอยากขาดแคลน เราก็ทําบุญอุทิศไปได้อย่างวันนี้เดี๋ยวเราทําบุญแล้วเราก็จะตรวจน้ํากันการตรวจน้ําความจริงไม่ต้องใช้น้ําก็ได้เพราะเรากรวดบุญไม่ใช่ตรวดน้ําที่เขาให้ใช้น้ําเพราะว่าจะได้เป็นเหมือนตัวอย่างเหมือนตัวเปรียบเทียบว่าบุญของเรานี่เป็นเหมือนน้ําที่เราเทลงไปในภาชนะผู้ที่รองรับภาชนะนี้ก็คือใจ ของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั่นเองดังนั้นเวลาพระให้พอญาถาสัพพีนี้ถ้าไม่มีน้ำไม่ต้องกังวลให้ตั้งจิตอธิษฐานกําหนดจิตว่าขออธิบุญส่วนนี้ให้กับบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้ารอรับส่วนบุญอันนี้อยู่ก็ขอให้รับไปถ้าไม่ได้รอรับก็ขอให้ผู้อื่นที่รอรับ รับต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่กําลังรอรับส่วนบุญนี้ถ้าไม่ใช่ญาติของเราญาติของเราเขาไม่มารับเราก็ให้เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเวลาอุทิศบุญจริงๆนี่ไม่ต้องรอให้พระสวดญาถานสักพีก็ได้เวลาเราใส่บาศเสร็จเราก็อุทิศบุญได้เลยเวลาเราเอาเงินใส่กระปุกทําบุญปับ๊บ เราก็อุทิศบุญเลยว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับนายกนายขออย่างนี้เราก็ได้ทำบุญได้อุทิศบุญแล้วหรือถ้าเราจะทาตอนที่พระสวดญาถาสัพพีเราก็ทำได้อุทิศได้ญาถาสัพพีนี้แบ่งไว้เป็นสองตอนตอนแรกเรียกว่าญาตถาตอนที่สองเรียกว่าสัก พ, พีญาถานี้พระท่านแสดง อานิสงส์ของบุญที่เราทำนี้ว่าเราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้คำสวดของพระนี้เป็นคำสอนเป็นคำอธิบายว่าบุญที่เราทำในวันนี้เป็นบุญที่เราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ตายไปแล้วได้ส่วนตอนที่สองที่เรียกว่าสับพีตอนที่พระสวดพร้อมกันนี้เป็นการอนุโมทนา แสดงความยินดีกับการทำบุญของญาติโยมและแสดงอนิสงค์ของการทาของการทำบุญของญาติโยมว่าจะเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพลานี่คือความหมายของเวลาที่พระท่านสวดญาตถาสัพพีเขาถึงมีประเพณีนิยมว่าเวลาพระตั้งญาตถาก็ให้กรวดน้ำไปตอนนั้น แล้วเวลาพระสวดสัพพีก็ให้เทน้ำให้หมดแล้วก็พนมมือรับพรต่อไปจึงขอให้จำไว้ง่ายๆว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาก็คืออุทิดบุญให้กับผู้ร่อรับไปแล้วสัพพีก็คือให้พรกับผู้ที่ทำบุญรับพรของพระอีกทีนี่นี่คือบุญที่เราจะได้จากการอุทิศบุญ ข้อที่ห้าข้อที่หกบุญที่พระเจ้าสอนให้ทำก็คือให้รับใช้ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นเห็นผู้ใดตกทุกข์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้เราช่วยเหลือกันไม่ต้องมาทำบุญกับพระเพียงอย่างเดียวเห็นขอทานก็ช่วยเหลือขอทานให้เขามีบ้านอยู่อาศัยมีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรค มีอาหารรับประทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอีกอย่างนึงบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเวลามาวัดเห็นห้องน้ามันสกปรกก็ช่วยกันล้างอย่าช่วยกันทำให้มันสกปรกอย่างนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหรือเห็นวัดสกปรกใบมุ้งใบไม้ขยะเต็มวัดก็ช่วยกันกวาดช่วยกันเก็บอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญ ที่เกิดจากการรับใช้เกิดจากการช่วยเหลือผู้นี่บุญข้อที่7ข้อที่8ก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างไรก็คือไม่อวดเก่งไม่อวดใหญ่อวดโตทำตัวให้เป็นผู้น้อยคนที่เป็นผู้น้อยนี้อยู่กับใครก็จะเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดู แต่คนที่ชอบอวนเก่งโ อ, อนเบ่งมักจะไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่นี่ก็คือบุญข้อที่7ไม่ใช่ข้อที่8บุญข้อที่8ก็คือการทําการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็จะทําให้เราได้อนิสงฆ์5ประการคือได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วพอเราฟังอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องของบุญของบาปในเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของมรรคผลนิพพานได้แล้วก็ข้อที่หก็คือทำให้เรามีความสงบมีจิตใจผ่องใสมีความสุข นี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เราฉลาดจะทําให้เราดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญพาให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆข้อที่9กก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็เกิดจากการเราได้ยินได้ฟัง ทำอย่างวันนี้เราจะได้เห็นมีความเห็นถูกต้องว่าการกินเจนี้ไม่ได้เป็นบุญการกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้เป็นบาปบาปอยู่ที่การฆ่าไม่ได้อยู่ที่การกินบุญอยู่ที่การทําทานรักษาศีลภาวนานี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็ต้องหมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปภาวนาถึงจะเห็นความจริงที่แท้จริงได้จะเห็นว่าบุญนี้เป็นอย่างไรเห็นว่าบาปเป็นอย่างไรแล้วก็จะรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ที่รอรับบุญผู้ใดที่ไม่ได้รอรับบุญก็คือผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปนั่นแหละจะต้องเป็นผู้ต้องมารอรับบุญ ส่วนผู้ที่ทำบุญไม่ทำบาปก็จะไม่มารอรับบุญก็จะไปเกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพกันนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้จิตใจเรามีความสุขเพราะเราจะไม่ทำบาเราจะทำแต่บุญเพียงอย่างเดียวและประการสุดท้ายบุญข้อสุดท้ายก็คือการแบ่งปันธรรมะการแจกจ่ายธรรมะ ให้แก่ผู้เช่นวันนี้เรารู้จักธรรมะเราก็กลับไปบอกไปสอนผูน้แต่ต้องสอนคนที่เขาอยากจะรู้ถ้าเขาไม่ถามอย่าไปสอนเดี๋ยวเขาโกรธได้เช่นไปบอกคนกินเจว่ากินเจแล้วไม่ได้บุญเดี๋ยวเขาจะโกรธเราได้แต่ถ้าเขาสงสัยเขาถามเราว่ากินเจนี้ได้บุญจริงๆหรือเปล่าแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้บุญหรอก ถ้าอยากจะได้บุญต้องทำทานต้องรักษาสีงต้องภาวนาอย่างนี้พอเราบอกเขาแล้วเขาก็จะได้หูตาสว่างเขาจะได้ไม่หลงผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวแลวเขาก็จะได้ทำบุญจริงๆเขาก็จะได้รับบุญนี่คือเรื่องของบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิ ก, กชนทากัน การกินเจนี้ไม่ได้มีอยู่ในสิบข้อนี้ถ้ากินเจเป็นบุญพวกที่พวกที่กินหญ้ากินผักก็ได้บุญมากกว่าพวกที่กินเนื้ออย่างพวกเราสิเป็นไปไม่ได้ดังนั้นขอให้เราจงพยายามเข้าหาพราะธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในวันพระที่มีการแสดงธรรมแต่ในสมัยนี้ ถ้าเราไม่ได้มาวัดเราก็ฟังธรรมได้เรามีแผ่นซีดีเรามีวิดีโอเรามีหนังสือธรรมะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมที่วัดฟังบ่อยๆแล้วจะมีความรู้ความฉลาดเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความรู้ความฉลาดนี่แหละจะทำให้เรามีแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระ ในธรรมในวันธรรมมสวัสนี้เพื่อมาศึกษามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกัรในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแ้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>